กลางคืนมืดๆอย่างนี้เนี่ยเราเดินมาถึงส า, าราหอไตรเพื่อมาทำวัดนะได้ถูกต้องเพราะเรามีแสงไฟเรามีไฟฉายส่องทำให้เราเห็นทางแล้วก็เดินมาถูกทางนจนถึงที่หมายแสงไฟเนี่ยมันทำให้เราเดินได้ถูกทางไม่ หลงนะเข้าป่าหรือว่าเลี้ยวผิดทางอาชัะะนั้นก็ฉันนั้นนะเราทำอะไรได้ถูกต้องเนี่ยแล้วก็พราะมีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าไม่มีเสี็จแล้วเนี่ยทำอะไรก็ผิดพลาดได้ง่ายผิดพลาดเพราะว่าความพลั่งเผลอแม้แต่ ขับรถขับราแม้เป็นเส้นทางที่เราคุ้นเคยแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกตัวเพราะใจลอยหรือว่าพ่อกำลังหมกุนคุนคิดกับอะไรบางอย่างเราก็อาจจะขับรถเลยที่หมายหรือว่าเลี้ยวผิดทางได้แม้แต่ สิ่งง่ายๆเช่นล้างจานล้างจานล้างถ้วยล้างช้อนล้งางซ่อมเนี่ยก็ทำมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างล้างจานี้ใจลอยไม่รู้สึกตัวกลังกลุ่ม อ, อกกลุ้มใจกับอะไรบางอย่างหรือว่ากลังหนักอกหนักใจกับบางเรื่องให้การวางช้อน นะวางซ่อมวางจานมันก็ผิดพลาดได้อันนี้ก็เหมือนกับเดินผิดทางนะแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่เราคุ้นเคยนี่ปกติเราเดินผิดทางหรือหลงทางเพราะมันมืดแต่แม้จะมีแสงสว่างเราก็สามารถจะทำอะไรผิดพลาดได้ไม่ใช่เพราะ มันมืดนะข้างนอกนี่อาจจะสว่างแต่ข้างในนี่มันมืดมันมืดก็คือมันหลงมันหลงเพราะมันไม่มีความสึกตัวตความสึกตัวนี่ว่าไปมันือักับแสงไฟในยามค่ำคืนที่ทำให้เราเห็นเส้นทางแล้วก็เดินได้ถูกทาง จนถึงที่หมายจะว่ามันเป็นเหมือนกับแสงสว่างภายในก็ได้ถ้าไม่มีแสงสว่างภายในคือความสึกตัวนี่มันก็มืดข้างในมืดระหว่างมืดข้างนอกเนี่ยเช่นในเวลานี้เนี่ยหรือในยามค่ำคืนเนี่ย กับมืดข้างในเนี่ยพอไม่รู้สึกตัวเนี่ยไอ้มืดเพราะว่าเป็นเวลาค่ำคืนนี่มันก็ยังดีกว่านะเพราะคนเราเนี่ยเวลาอยู่ท่ามกลางความมืดเนี่ยอย่างน้อยเราก็จะมีความระมัดระวังจะเดินไปไหนก็เดินอย่างระมัดระวังย่างอย่างช้ า, ชา บางทีก็อาจใช้มือนิคลำทางไปด้วยอันนี้เพราะมีความระมัดระวังและขณะเดียวกันเนี่ยก็จะพยายามสแสวงหาแสงสว่างนะพยายามใช้แสงสว่างจากดวงดาวหรือว่าใช้แสงสว่างจากดวงจันทร์เพื่อ เดินให้ถึงที่หมายแต่ถ้าเกิดว่ามืดข้างในเนี่ยหรือว่าไม่มีความสุดตัวอันนี้มันแย่กว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยระมัดระวังควรขับรถยิ่งถ้าขับบนเส้นทางที่คุ้นเคยเนี่ย แม้ไม่รู้สึกตัวยังไงก็ไม่ได้คิดว่ามันจัน์ตรายหรือบางทีขับด้วยความเร็วสูงเพราะว่าเป็นเส้นทางที่คุ้นเคยเพราะทางมันสะดวกแต่สุดท้ายเกิดอุบัติเหตุแล้วคนเราเนี่ยพอไม่มีความรสึกตัววเนี่ยมันประมาทได้ง่าย และความพังเพลหรือผิดพลาดจึงเกิดขึ้นไดง่ายรวมทั้งความทุกข์ที่ตามมาด้วยและพอมีความหลงหรือมืดนะข้างในแล้วเนี่ยนะมันไม่มีความคิดที่จะแสวงหาสิ่งที่จะช่วยออกจากความมืดหรือสามารถฟันฝ่าความมืดไปได้อย่างเวลาเรา เดินทางใ น, ใ, น ใ, นในความมืดเนี่ยหรือในยามค่ำคืนเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องพยายามมองหาแสงสว่างเป็นเครื่องนำทางแต่คนเราพอไม่มีความสึกตัวเนี่ยหรือพะหลงเนี่ยมันไม่คิดที่จะหาสิ่งที่จะมาช่วยให้ออกจากความมืดหรือความหลงได้ มีแต่ยินดีพอใจหรือว่าติดใจในรสชาตงความหลงเช่นคนที่เวลาใจลอยมันก็มีแต่จะอยจะลอยจะพึตะพือนหรือว่าหนาักอกหนักใจในเรื่องใดก็แต่จะคุ้นคิดกับเรื่องนั้นแหละทั้งๆ้ที่คิดแล้วก็ยิ่งทุกข์แต่ก็ยังคุ้นคิดวกไปวนมาเวลาโกรธเนี่ยใจนี่มันก็จะจมทรมในความโกรธ เนะคิดถึงแต่การกระทำและคำพูดนะของใครบางคนที่ทำให้เราไม่พอใจหรือว่าที่ถึงเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่มันทาให้โกรธหนักเข้าไอ้ความคิดที่จะออกจากความโกรธความคิดที่ออกจากความหนักอกหนักใจเนี่ยบ่อยครั้งนี่มันไม่มีนะ มันยิ่งคิดยิ่งถลำเข้าไปแม้แต่คนที่ฟุ้งซ่านพราะนอนจนนอยไม่หลับเนี่ยอันนี้ก็เพราะความหลงนะมันก็เอาแต่คิดคิดคิดคิดคิดยิ่งคิดก็ยิ่งนอนไม่หลับไอ้ความพยายามที่จะออกจากความฟุ้งซ่านหรือว่าพยายามหา สิงที่มาช่วยให้มันหลุดจากความฟุง้งซ่านบางทีไม่ได้นึกเลยั่คือเราคนเราเวลาพอมันมหนในเพราะว่าความหลงนะไม่มีความสึกตัวเนี่ยนอกจากจะทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วบางทีทุกข์หนักกว่าเดิมนะเพราะว่าสิ่งที่พยายามทำเนี่ยมันมีแต่ซ้ําเติมให้ทุกข์หนักขึ้นเช่นเวลาเครียดเนี่ยเครียด ก, ก็ไปกินเหล้า มันก็ยิ่งทําให้เป็นทุกข์หนักขึ้นจนกระทั่งมองอะไรไม่ออกเลยหาทางออกไม่เจอมันเป็นอย่างนั้นนะเวลาไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในความมืดมันเป็นความมืดข้างในเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันถูกครอบนะด้วยอารมณ์นนะั้ด้วยความหลง มันเหมือนกับกบในกะลาเนี่ย น, ะนะรู้สึกว่ามันมืดไปหมดเลยาทั้งที่นอกกะลานี่นสว่างนะอันนี้คือภาวะนะของคนที่นะอยู่ในความหลงนะถ้าลงหนักๆนี่ก็เรียกว่ามืดแปดด้านมืดแปดด้านคนที่มืดแปด้านนี่เพราะว่าถูกความคิดและอารมณ์มันครอบนะ เดี๋ยว่าอารมณ์ที่เป็นอกุศลอาจจะพาะพบกับเหตุการณ์ที่ทําให้เศร้าโศกเสียใจหรือเหตุการณ์ที่ทําให้โกรธแค้นหรือทําให้เกิดความหนักอกหนักใจเนี่ยอารมณ์ที่มาบรรคอบแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับกาลาที่มันครอบกบเอาไว้เนี่ยมันมืดไปหมดเล ย, เ, ยเกิดเพราะว่ามืดแปดด้านในตอนที่ ไม่มีอารมณ์ครอบงาหรือไม่ถูกนะความเศร้าความโศกนะครอบเนี่ยสามารถแนะนำใครต่อใครได้เวลาเขามีความทุกข์อกหักก็แนะนำได้เวลาเขาเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าธุรกิจเสียหายล้มละลายอแนะนำได้ไช่วยเขาได้นะแต่พอเจอเหตุการณ์นันกับตัวเองแล้วถูก ความเศร้าโศกความกรัดกรุ้มความคับแค้นครอมเนี่ยนึกอะไรไม่ออกเลยนี่เลย ว, ว่าเพราะมืดแปดด้านจึงเปลี่ยน ม, มันก็ว่ามันเป็นความมืดภายในนะเมื่อเราหลงเนะมื่อเราไม่รู้สึกตัวและการที่จะรู้สึกตัวได้นี่มันก็ต้องนะมีสิ่งหนึ่งที่เป็น เรียกว่าฝาแฝดเลยทีเดียวนะก็คือความระลึกได้หรือสติเนี่ยว่าสติมันทำให้จิตเนี่ยมันกลับมาอยู่กันเนื้อกันตัวเดิมเนี่ยไหลลอยไปตามความคิดหรือว่าจมปลักอยู่ในอารมณ์ใดก็ตามที่ทำให้หลงทำให้ลืมตัวทำให้ไม่รู้สึกตัวแต่พอมีสตินะ นั่นอมันดึงจิตออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นหลาดึงออกมาจากอดีตดึงออกมาจากอนาคตกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความสึกตัวกเกิดความสว่างสวยภายในขึ้นมาบางทีเราก็เรียกภาวนาว่าตื่นนะตื่นมันเป็นความตื่น อันเดียดนี้เรียกว่าตื่นรู้นะมันรู้สึกว่าโลกนี้มันสว่างสวยขึ้นโปรง่งอันนี้ก็ความรู้เนืรู้ตัวนะได้ปรากฏซึ่งเกิดขึ้นได้นะก็เพราะมีสติสตินี้มันเป็นเสมือนตาหนนะที่ทำให้รู้ทันความคิดและอารมณ์รวมทั้งความหลงที่มันครอบจิตเอาไว้ ตาเราก็มี2 อ, อย่างนะตาเนื้อกับตาในตาเนื้อนี่ก็ทําให้เรามองเห็นโลกภายนอกส่วนตาในคือสติทําให้เรามองเห็นโลกภายในหลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยตระหนักถึงการมีอยู่ของตาในนะรู้แต่ตาเนือ้อคือในตา แล้วถ้าเกิดว่าตาเกิดบอดขึ้น ม, มานี่โอ้จะทุกข์ทรมานมากเลยแต่ถ้าจะว่าเป็นแล้วเนี่ยไม่มีตาเนื้อเนี่ยยังดีกว่าขาดตาในนะตาบอดยังดีกว่าขาดสติเพราะขาดสติมันทำให้ไม่รู้เนะื้อรู้ตัวแล้วก็เกิดความทุกข์ตามมามากมาย คนตาบอดเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเขายังมีสติหรือว่าเขามีสติที่แข็งแรงนะว่องไวทํางานอย่างต่อนเนื่องนี้เขาก็สามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างปกติสุขนะใช้ชีวิตอาจจะไม่ต่างจากคนทั่วไปที่ตาดีเลยก็ได้อย่างคนตาบอดบางคนเนี่ยเขาเล่นกีฬาก็ได้นะ เล่นกีฬายอย่างบาสเกตบอลเนี่ยก็ทำได้นะอันนี้น่าทึ่งมาก เ, าเขาเล่นได้ยังไงนะ เ, เขาอาศัยการรับรู้ที่ไวนะเวลามีลมหรืออากาศมากระทบตัวเขาคนที่เขาที่เป็น อ, อยู่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ย เวลาเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีอากาศหรือลมเนี่ยมามากระทบตัวเขามากระทบกับกายเขาแล้วก็ทำให้เขารู้ได้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีคนที่กำลังเป็นพวกเดียวกันหรือฝ่ายตรงข้ามก็ทำให้เขาสามารถที่จะเล่นบาสเกตบอลไปได้อาจจะไม่รวดเร็ว เหมือนคนปกติคือบางคนเนี่ยนะเดินไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ได้ไม่ใช้ไม้เท้าเลยแต่าบางคนขิ่จักายานได้ด้วยนะก็ทำกันได้ไงนะบางคนก็ใช้วิธีกระดกลิ้นนะกระดกลิ้นเป็นระยะระย ะ, ร ะ, ยะหรือต่อเนื่องเพราะว่าเสียงจากการกระดกลิ้นเนี่ย ถ้ามันไปกระทบกับเสารหรือรถข้างหน้าเนี่ยหรือว่าวัตถุใดก็ตามที่อยู่ข้างหน้ามันจะสะท้อนกลับมาที่หูเขาหูเขาไวมากนะเขาก็จะได้ยินแล้วเาก็จะรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีอะไรอยู่ขวางทางเสาไฟฟ้าหรือว่ารถหรือคนแต่ลำพังเนี่ยจะรู้ไม่ได้ละเอียดขนาด น, นั้นนะ ถ้าขาดสติเนี่ยแม้ว่าหูจะไวหรือว่าร่างกายเนี่ยมันจะไวต่อลมที่มากระทบจากภายนอกแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีความสึกตัวก็อาจจะเดินไปชนกำแพงชนคน หรือว่ายังไปชนกับคู่แข่งก็ได้หลายคนเนี่ยที่เขาไม่มีตาเนื้อนะแต่ว่าตาในเนี่ยเขาดีมันก็ทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตไม่ตายจากคนปกตินี่ทางตรงข้ามนะคนที่ตาเนื้อดีตาไม่บอดแต่ว่าตาในเนี่ยหายไป ไม่มีสติขาดสติก็อาจจะเกิดความเสียหายเกิดอันตรายเกิดความพินาศขับรถก็เกิดอุบัติเหตุชนคนหรือว่าแหกโคง้งเพราะใจลอยหรือว่าพอกำลังหมกบุ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือลืมไปว่ากำลังขับรถอยู่ นั่นถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยไม่มีตาเนื้อนก็ยังไม่รายเท่ากับขาดตาในขาดสติเพราะมันทำให้เมืดยิ่งกว่าเดิมนะคือไม่มีความรู้สึกตัวให้สติและความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันมันช่วยทำให้สามารถที่จะ ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปกติสุขด้วยพอเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นในใจนะก็ไม่ถูกทุกข์เหล่านั้นเนี่ยมาบดบังหรือเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมาจากการกระทบจากการสัมผัสก็ไม่ปล่อยให้อาหล่านั้ น, นมันเนะบียดบังครอบงำ ให้ใจมืดหรือว่าบีบคั้นใจให้เป็นทุกข์ผู้ดุชนนะอย่างเราเนี่ยเมื่อมันมีการกระทบเนี่ยนะยเพราะเมื่อเจอสิ่งที่ถูกใจก็ตามสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ตามเนี่ยมันก็ยอมเกิดอารมณ์ขึ้นมา เกิดอาการกระเพื่อมเกิดอาการสะเทือนขึ้นมาแล้วยิ่งถ้าเป็นความไม่ถูกใจด้วยนะมันก็ยิ่งเกิดความโกรธเกิดความเศร้าเกิดความเครียดนะจิ่งเรานี้มันธรรมดาเนละมันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ถ้าเรามีตานในมีสติมีความศึกตัวนะมันก็ไม่สามารถจะครอบงําจิตได้ แต่ถ้าไม่มีสติไม่มีความสึกตัวเมื่อไหร่นะมันก็สามารถจะบีบคั้นใจให้เป็นทุกข์หรือเผารนใจให้รุ่มร้อนหรือทําให้ใจเนี่ยเผลอนะเข้าไปยึดอารมณ์เหล่านั้นยึดว่าเป็นเราเป็นของเรายึดว่าเป็นกูเป็นของกูเมื่อความทุก เกิดขึ้นเนี่ยนะถ้ามันมันยังไม่เท่าไหร่นะแต่พอมันมีกูทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยโอ้มันแย่เลยความโกรธเนี่ย дела, เวลาเกิดขึ้นนี่มันมันไม่เท่าไหร่นะแต่พอมีกูโกรธขึ้นมาเนี่ยโอ้มันรุ่มร้อนมากเวลาเครียดเกิดขึ้นวิตกเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะแต่พอมันมีกูเครียดกูวิตกเนี่ยมัน กระสับกระส่ายเลยหรือเวลามีความเศร้าเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ความเศร้านี่ไม่เท่าไหร่แต่พอมีกูเศร้าขึ้นมานี่มันมันแทบจะไม่อยากอยู่เลยถ้าเป็นความเศร้าที่รุนแรงความทุกข์หรืออารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยมันมันไม่ทำร้ายเราจนกว่ามันจะมีความยึดจนเกิดกูขึ้นมานะ จริงความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยนะในใจเนี่ยมันก็ล้วนแต่เป็นเพราะมีกูเนี่ยนะเป็นตัวการเลยที่อยากเนี่ยนะอยากเพราะอะไรนะอยากเพราะว่าให้เพื่อมาสนองตัวกูไม่ว่าการมีการเสพแล้วก็เพื่อสนองตัวกูให้มันมีมากขึ้นเรื่อยๆ ที่งความอยากนี่มันมันไม่ได้ทําร้ายเราหรือว่าไม่ได้ก่อปัญหานะให้กับเรามากเท่ากับตอนที่เวลาที่มีกูอยากมีความอยากรือเห็นความอยากเนี่ยโอ้นี้ความอยากนี่มันไม่สามารถจะเล่นงานจิตใจได้แต่เพราะไม่เห็นมันนะแล้วก็เลยปรุงตัวกูขึ้นมามีกูเป็นผู้อยากเนี่ยโอ้แค่ กูอยากนี่มันก็ร้อนแล้วนะวงกระทั่งต้องไปหาสิ่งมาสนองมาปนเปิดความอยากถึงจะหายร้อนนะถึงจะรู้สึกว่าเป็นสุขนะไอ้ความที่ว่าเป็นกูเป็นของกูหรือไอ้การปรุงตัวกูขึ้นมานี่นมันเป็นร่างเงาของความทุกข์เลยแต่คนไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่ไปมัวแต่ สนองความอยากหรือไม่เช่นนั้นก็ไปหาทางจัดการกับไอความอยากหรืออารมณ์กุศลเหล่านั้นหลายคนก็พยายามที่จะหาทางนะทำงานหรือว่าจัดการกรับจิตใจนะเมื่อมีการกระทบแล้วความทุกข์เกิดขึ้นนะเช่นพอเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจนะไม่ว่าทางตาทาง โอทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจจิตมันก็เพิ่มกระเทือนขึ้นมาหรือมีอาการลงอาการแฝบก็ไปพยายามบังคับจิตให้มันไม่กระเทือนบังคับจิตให้มันนิ่งหรือถ้ามันไม่นิ่งแล้วมอีอารมณ์ที่เป็น อ, อกุศลเกิดขึ้นหรือกิเลส ต, ตามมาก็ไปจัดการกับกิเลสนั้นหรือจัดการกับอารมณ์นั้น แต่ที่จริงเราไม่ต้องไปพยายามมาคับจิตให้มันนิ่งมันจะไหวมันจะสะเทือนก็ก็ช่างมันหรือแม้กระทั่งมันมีอารมณ์เกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปสู้รบกับอารมณ์เหล่านั้นเพียงแต่ให้รู้นะรู้ทันนะเวลาใจมันกระเทือนหรือมันมีอารมณ์ อ, อกุศลเกิดขึ้น แลการรู้เนี่ยนะมันก็เพียงแค่รู้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ทําให้อารมณ์เรานั้นเนี่ยมันมีพิษสงน้อยลงนะแต่ยังทําให้ไอ้ตัวกูเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มายึดอารมณ์นั้นว่าเป็นของกูว่าแล้วเมื่อมีความทุกข์แต่รู้ทันทุกข์นั้นมันก็ไม่มีกูทุกข์ มีความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันอารมณ์นั้นมีความรู้สึกตัวความโกรธอาจจะยังไม่หายแต่มันก็ไม่มีกูผู้โกรธหรือความสำคัญม า, มากๆว่ากูโกรธอันนี้มันเป็นตัวที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์แล้วก็รู้ทอนความทุกข์ออกไปได้ในที่สุด เ, เมื่อมันไม่มีตัวกูเนี่ย ถูกปรุงขึ้นมาเดือมนางความหลงดั้งนั้นก็เพราะมีความรู้สึกตัวเพราะมีสติเราไม่ต้องทำอะไรเป็นงแตดูเข้าไปหรือเพียงแต่รู้รู้รู้หลวงพ่อพพุทธทาสท่านท่านแนะว่าเนี่ยเมื่อจิตไหลก็ให้รู้ดูเข้าไป เมื่อจิตเผลอก็ให้รู้ดูเข้าไปสุดท้ายเนี่ยนะมันมีแต่รู้นะกูไม่มีนะมีตัวรู้เมื่อไหร่นะตัวกูนี่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะตัวกูมันเกิดขึ้นได้จากความหลงหรือเกิดจากการปรวงของตัวหลงแต่ถ้ามีรู้เมื่อไหร่เนะี่ยกูมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะมันไม่ได้มีอยู่ตั้งแต่แรกนะ มันมีเพราะการปรุงและปรุงได้เพราะความหลงแต่ความหลงเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมันมีความรู้สึกตัวนั้นถ้าเรามันรู้บ่อยๆนะไอ้ตัวกูเนี่ยมันก็เกิดช่องหาช่องเกิดได้ยากหรือเกิดขึ้นมาแล้วรู้ตัวตามมามันก็ทำให้ไอ้ตัวกูเนี่ยหายไปได้ ความรู้ตัวเนี่ยมันช่วยถอนหรือปิดช่องตัวกูเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นแต่มันก็ยังเป็นเป็นครั้งเป็นคราวนะจนกว่าตัวรู้เนี่ยมันจะพัฒนาจากความรู้ตัวเนี่ยเป็นการรู้นะสัจธรรมความจริงรู้แจ้งในไกรลักษณ์ชัดเจนนะมันว่ามันมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนหรือจะเป็นมันเป็นตัวเป็นตนได้ เมื่อนั่นแหละถึงจะรื้อถอนตัวกูหรือปิดโอกาสไม่ให้ตัวกูเกิดขึ้นอย่างถาวรซึ่งก็หมายความว่าออกจากความทุกข์ไปได้ในที่สุดแต่ถึงแม้ว่ายังยังไม่มีปัญญารู้แจ้งความจริงแต่ก็คอยมีความรู้ตัวไว้ก่อนนะรู้อย่างสม่ำเสมอมันก็ทำให้ตัวกูหรือตัวการอย่างความทุกข์เนี่ยมัน เล่นงานจิตใจเราไม่ได้อาชาวนี้พูดเท่านี้นะขอบคุณครับ